ว่างจากกับดักทางความคิดการเป็นนักเรียนมักหมายถึงผู้ถูกตีกรอบต้องรู้อย่างนั้นต้องสนใจอย่างนี้ต้องเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียวต้องทำข้อสอบให้ผ่านต้องเลื่อนชั้นขึ้นสูงไปจนสุด ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คือกับดักาทางความคิดถ้าหลงติดแต่ต้นวัยก็ยากจะเป็นไทยในภายหลังการไม่เป็นนักเรียนมักหมายถึงผู้ปราศจากหางเสือไม่ต้องรู้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจอย่างนี้ไม่ต้องมีเหตุผลผิดถูกไม่ต้องผ่านแบบทดสอบ ไม่ต้องยกระดับไปถึงไหนไม่ต้องอย่างนั้นไม่ต้องอย่างนี้คือกับดักทางความคิดอีกชนิดหนึ่งถ้าหลงติดแต่ต้นวัยก็อาจเป็นภัยในภายหน้าเมื่อวันหนึ่งมีปัญหามากองมองรอบด้านแล้วเหมือนมืด8ดทิศพยายามคิดแล้วไม่พบทางออก ขอให้บอกตัวเองว่าติดกับดักทางความคิดเข้าแล้วกับดักทางความคิดคือความผิดที่ปิดใจไม่ยอมเปิดหูตาไม่กล้าแย้งตัวเองกลัวเกรงการติชมอมอัตตาไว้คับปากยากจะรับว่าตนผิดเมื่อทางตนไม่ผิด แปลว่าทางอื่นผิดหมดทางออกเลยไม่มีมีแต่ทางตันให้ฝันร้ายกล้าเปลี่ยนความคิดคืออิสระจากกับดักเมื่อรักการเปิดใจเมื่อใครเปิดหูตาเมื่อกล้าแย้งกับตัวเองเมื่อเลิกเกรงเสียงติชมเมื่อนั้น กับดักก็หักพังที่เหลือแม้ยังมืด8ปดทิศอย่างน้อยก็พร้อมคิดหาทิศที่เก้าพ้นกว้างยาวแบบเดิมเสริมมิติลึกเข้าไปจะเห็นมิติลึกต้องฝึกมองจากฝั่งตรงข้ามไม่ถามหาวิธีเลิศสุด แต่ขุดดันความหลากหลายทั้งของตายในมือทั้งของนอกมือไม่เกินเอื้อมหูตายิ่งกว้างขวางทางเดินยิ่งสบายกับดักยิ่งหลีกง่ายเป้าหมายก็นอนรอ